1. ปัตตวั์สิกขาบทที่9ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนบริการที่เขาถวายแก่คณะข้อที่สองเรื่องภิกษุณีหลายรูป 773. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่น้าพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบริเวณของสมาคมแห่งหนึ่ง อตาคัสข้าวต้มสมาคมนั้นจึงรวบรวมบริขารที่เขาให้ด้วยความพอใจเพื่อค่าข้าวต้มถวายภิกษุณีทั้งหลายแล้วฝากไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราฝากบริขารค่าข้าวต้มไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าชื่อโน้นท่านทั้งหลายโปรดให้วิยาวชจกรไปนำข้อสารจากบ้านนั้นมาหุงต้มฉันเถิดเจ้าค่า ภิกษุณีทั้งหลายขอให้เอาบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศัตวเองแล้วบริโภคสมาคมนั้นทราบเข้าจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าฉไนพวะภิกษุณีจึงให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริโภคแ ก, ก่ภิกษุณีจํานวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่า